ธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันต ร, รายก็หาสามารถก่ออันต ร, รายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงไหมพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิว่าโมคะบุรุษเธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วได้อย่างไรโมคะบุรุษเรากล่าวธรรมที่ก่ออันต ร, รายว่าเป็นธรรมก่ออันต ร, รายไว้โดยประการต่าง และทาเหล่านั้นก็สามารถก่ออันตรายให้แก่ผู้ส่องเสพได้จริงมิใช่หรือเรากล่าวว่ากามทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแขนมากในกามนี้มีโทษอย่างยิ่งเรากล่าวว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนร่างโครงกระดูกมีทุกข์มากมีความคับแขนมาก ในกามนี้มีโทษอย่างยิ่งเรากล่าวว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อเรากล่าวว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนคบเพลิงย่าเรากล่าวว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนหลุม่านเพลิงเรากล่าวว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝันเรากล่าวว่า กามทั more. More. ้งหลายเปรียบเหมือนของที่ยืมมาเรากล่าวว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนผลไม้ขาต้นเรากล่าวว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนเขียงหั่นเนื้อเรากล่าวว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนหอกเหลาเรากล่าวว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนหัวงู มีทุกมากมีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษอย่างยิ่งโมคบุรุษก็เมื่อเป็นเช่นนี้เธอชื่อว่ากล่าวตูเราด้วยทิฏฐิที่ยึดถือไว้ผิดชื่อว่าทําลายตนเองและชื่อว่าประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากโมคบุรุษ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 ทรงแสดงธรรมมีกถาแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นสงจงลงอุเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุอริฏฐะผู้มีบรรพบุรุษเป็นนายพรานฆ่านกแรงห้ามสมโภคกับสง